ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับธมฟังเป็นประจำทุกวันรายการนี้จะโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีพระมหาภัยบูรณ์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้รม่มโคดิบด เป็นช่วงเวลาที่เราจะมาฝึกทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งแล้วเราจะมาทำความเข้าใจในหัวข้อของธรรมะซีรีส์ที่ชิวบาปฏิจจสมุมบาซึ่งจะเป็นเอพิโซดตอนที่7ในซีรีส์นี้เรามาทำจิตให้สงบกันซะ ก, ก่อนตัวฟังวันนี้เราจะเจริญเมตตาภาวนาคือการแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตา ให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาจะได้ยังไงให้จิตของเราประกอบด้วยเมตตาก็คือให้คิดเลยตรงฝังคิดถึงสถานการณ์ที่จะทำให้เรามีความรักความเมตตาชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่ต้องการสิ่งตอบแทน ตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านยกเปรียบเทียบไว้ให้คือเหมือนกับมารดาที่เพิ่งคลอดลูกคนแรกออกมาลูกคนแรกที่เพิ่งคลอดออกมานั้นถึงแม้ว่าจะทำความเจ็บปวดให้แม่มือใหม่นั้นก็ตามไม่ว่าความเจ็บปวดนั้นจะมากขนาดไหนชนิดที่ไม่เคยเจอมาก่อน จากการคลอดลูกคนแรกนี้ก็ตามแม่นั้นก็ยังมีความรักให้ได้โดยไม่ได้คำนึงถึงความเจ็บปวดที่เกิดจากลูกนั้นความที่ว่าเด็กนั้นเกิดออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงหรือว่าเด็กคนนี้เขาจะทำอะไรตอบแทนเราได้หรือไม่ไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้กำหนดเรื่องเหล่านั้นเลย ให้ความรักโดยที่ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดถึงเรื่องเหล่านั้นไม่ได้กำหนดไม่ได้คิดนี่แหละเขาเรียกว่าความรักชนิดที่ไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องการสิ่งตอบแทนไม่มีประมาณนั้นหมายถึงให้ได้ไม่มีหมดไม่ต้องการสิ่งตอบแทนนั้นหมายถึงไม่ได้ว่าจะต้องทำดีตอบมาพูดดีๆตอบได้คลอดออกมานี่ไม่ได้ยิ้มให้แม่นะ มีแต่ร้องไห้อแวะแแวะมีแต่กำมือแน่นมีแต่ดิ้นไปดิ้นมาไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าเด็กคนนี้ต้องเป็นเพศนี้หรือต้องหน้าตายอย่างนี้ไม่ได้กิดเลยเราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาอย่างนี้เหมือนมารดารักเมตตาปรารถนาดีกับเด็กที่เกิดมาจากคันของตนแบบนี้ ตั้งจิตไว้ด้วยเมตตาแบบนี้แล้วแผ่ไปแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตานี้ไปแผ่ไปยังสรรพสัตต์ทั้งหลายไม่เว้นใครไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือคนชังไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ไม่ว่าจะเห็นได้หรือไม่เห็นไม่ว่าจะอยู่ทิเบื้องหน้า เบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนหรือเบื้องล่างไม่ว่าจะมีกายหยาบหรือกายละเอียดไม่ว่าจะมีสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นกำเนิดเดรัจฉานเทวดาพรหมหรือมนุษย์ไม่ว่าสัตว์นั้นจะทำดีหรือทำชั่ว ไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเป็นอริยบุคคลหรือเป็นปุถุชนธรรมดาไม่ว่าเขาจะทำดีหรือทำชั่วเราแผ่ให้หมดเลยแบง่งปันส่วนแห่งความรักความเมตตานี้ให้แบบไม่คิดว่าจะเหลือเก็บเอาไว้คือไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลย ว่าจะต้องเหลือไว้เท่าไรจะแบ่งให้คนนี้เท่านี้คนนั้นเท่านั้นให้แบบไม่ต้องคิดเลยให้แบบไม่กลัวหมดเลยให้แบบว่าทุกคนเลยให้แบบไม่ต้องกักเลยไม่ต้องมากําหนดถึงเงื่อนไขว่าต้องทําอย่างนี้ก่อนแล้วฉันถึงจะให้เท่านี้แต่ทําอย่างนี้จะให้เพิ่มอีกอย่างนั้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณแอ่ไป จะใกล้จะไกลจะอยู่ในที่เห็นได้หรือมองไม่เห็นให้หมดทั้งบุฟังให้หมดแป่กระแสแห่งความรักความเมตตานี้ออกไปกรุณาด้วยมุติตาด้วยและอุเบกขาด้วยขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษม ต้องมีความเฉลยอ้าว่ะตัมโมฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในที่นี้คือเรื่องของปฏิจจสมุบาทเอไิส o ดนี้ก็เป็นตอนที่เจ็ดแล้ว เป็นซีรีส์ที่จบในตอนในหัวข้อของธรรมะที่อาศัยกันละกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้ในซีรีส์นี้ก็นำเรื่องราวของปฏิจจสมุปาททั้งหมดที่มันมีหัวข้อรายละเอียดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้สามารถอธิบายให้จบในตอนเดียวได้นามาจัดทาเป็นหลายๆตอนในหัวข้อเดียวกัน ที่มีประเด็นอธิบายแยกย่อยลงไปในแต่ละตอนละตอนแตกต่างกันผู้ฟังสามารถที่จะเลือกไปฟังในแต่ละตอนเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการความเกิดขึ้นความดับไปการอาศัยกันของมันของมันและอาการแต่ละอาการอาการให้ลึกซึ้งเกิดความเข้าใจ จะเมื่อถึงเอพิโดนี้เป็นเอพิโซดที่7ซึ่งซีรีส์ทั้งหมดนี้ดูฟังมันก็จบในตัวได้เราฟังตอนนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปฟังตอนก่อนหรือจะฟังตอนสี่แล้วก็กมาฟังตอน7แล้วก็กลับไปฟังตอนหนึ่งก็ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องกัน ฟัตงตรงไหนไม่เข้าใจก็ไปฟังย้อนหลังฟังสองรอบสามรอบได้หมดวันนี้จะมาแบบใหม่คุกฝังก็จะมาตอบคำถามเพราะว่าหลังจากที่ให้ฟังซีรีส์นี้ไปสัก 3-4 สตอนขึ้นมานี่มีทูกฟังที่สนใจฟังชอบแล้วก็โพสต์คําถามมาถามเอาไว้คุนพระเจ้าก็จึงรวบรวม คำถามที่เกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้โดยเฉพาะมาตอบให้ในเอีพิโซดนี้ซึ่งก็ยังไม่ใช่ตอนจบนะอันนี้จะมีตอนต่อไปที่จะอธิบายถึงหัวข้ออื่นๆในรูปแบบของปฏิจจสมุปบาทที่ไม่ใช่มี12อาการหรือ24อาการหรือรายละเอียดอะไ ร, รที่ จะมีความแตกต่างกันกับที่ได้เคยอธิบายมาแล้ววันนี้จะมาตอบคาถามตุ๊ฟังในคำถามแรกเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ถามว่าวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทกับวิญญาณในขันธ์ทั้งห้าทำไมมันมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรตรุ๊บฟังท่านนี้ถามจอโจงมาใน คำว่าวิญญาณซึ่งหมายถึงการรู้แจง้งบางท่านเขาจะแปลว่าการรับรู้มาจากภาษาบาลีที่เรียกว่าวิญญาณซึ่งนี้ข้าพเจ้าได้ อ, อธิบายไปในตอนให้พิสูจน์ก่อนแล้วเจาะลงไปในอาการนี้โดยเฉพาะว่าทำไมมันถึงเป็นธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นจริงๆนะทุกฝัง่งนะธรรมะทั้งหมด ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในเรื่องของอริยสัจสี่แจกแจงออกมารวมทั้งหมดอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปทั้งหมดนะ่ะเป็นปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเลยแต่ถ้าเาฟังได้ฟังตั้งแต่เปอซอร์แรกพระพุทธเจ้านี้จะสอนตั้งแต่การอ่านออกเสียงคำนี้ว่าต้องอ่านว่ายอย่างไรแล้วในคำนี้มีความหมายในตัวของมันอย่างไง แยกออกมาที่ท่านอธิบายไว้มี12อาการนั้นแนะแต่ละอาการคืออะไรแล้วที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันเป็น11คู่นั้นนะมันเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ละตัวแต่ละคู่เกิดขึ้นดับไปยังไงยังไงยังรวมถึงคู่ที่มัน ต่อจากไอเจ้า12อาการนี้ต่อไปอีขยายแบบโดยละเอียดที่จะดับเจ้าอาวิชาได้ให้วิชาเกิดขึ้นหรือจากความทุกข์ไม่วนละคราวนี้ออกไปสู่นิพพานยังไงแต่จะไม่ได้อธิบายถึงเรื่องขันห้างไงตัมบูฟังตัมบูฟังท่านนี้ก็จึงมีความสงสัยให้ว่ามันจะไปเกี่ยวโยงกับขันห้ายังไง เอาคำว่าวิญญาณก่อนนะท่านผู้ฟังเรามาทบทวนกันคำว่าวิญญาณแปลว่าการรู้แช้งหรือแปลว่าการรับรู้คืออาการที่จิตของเราซึ่งนี่จะเป็นคำถามที่สองในวันนี้ด้วยไว้ปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับจิตมันตรงไหนเอาวิญญาณตรงนี้ก่อนว่าวิญญาณคืออาการที่จิตของเรานั้น ไปทำหน้าที่ในการรับรู้การที่ตัมบูฟังได้ยินเสียงของกบประชาาได้ตัมบูฟังต้องเกิดโสตวิญญาณแน่นอนการที่ตัมบูฟังลิ้มรสอาหารได้กลิ่นสิ่งต่างๆเห็นภาพนั่นนี่ต้องเกิดชิวหาวิญญาณคานะวิญญาณจากสู่วิญญาณมีวิญญาณเกิดขึ้นในช่องทางใจของตัมบูฟังแน่นอนแน่นอน ที่เกิดขึ้นในช่องท่างใจวิญญาณ น, นั้นนั่นคือส่วนที่เป็นนามเกิดขึ้นในช่องท่างใจนั่นคือวิญญาณวิญญาณที่อยู่ในขันหอธิบายในบริบทของความทุกข์เพราะท่านจะบอกว่าอุปาทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกข์อธิบายวิญญาณ น, นะในลักษณะของกล่องทุกข์คือทุกขริยาสัต์ มีความหมายเดียวกันรายละเอียดเดียวกันกับวิญญาณที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทแต่วิญญาณที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทนั้นอธิบายถึงความเกี่ยวข้องเรื่องของนามรูปด้วยซึ่งในขันห้ามันก็มีนามีรูปอยู่แล้วถูกไหมนามนี่ก็คือส่วนที่เป็นวิญญาณสังขารสัญญาเวทนา ส่วนที่เป็นรูปนั่นก็คือเรื่องรูปแต่ในปฏิจจสมุปบาทอธิบายนอกจากเรื่องของนามรูปแล้วยังอธิบายถึงความเกี่ยวข้องไปกับธรรมะอื่นๆที่ว่ามันเกิดมาเป็นกองทุกเนี่ยมันจะดับได้ยังไงเราอธิบายถึงการดับของระหว่างสังขารวิญญาณวิญญาณนามรูปเกิดด้วยนะแล้วก็ดับด้วยว่า ถ้าดับสังขารแล้ววิญญาณก็ดับหรือถ้าวิญญาณดับแล้วนามรูปก็ดับมันจึงเป็นการอธิบายในตัวได้ว่าวิญญาณเนี่ยเป็นที่จะไปก้าวลงในสังขารสัญญาเวทนารูปรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ตัวเนี้ยเป็นฐานที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณเนี่ยจะเป็นตัวที่จะมาก้าวลง ในข้อนี้เรื่องนี้คราพระเจ้าได้อธิบายในช่วงของจิตตวิเวทที่อธิบายถึงการทำงานของจิตว่าจิตนั้นจะไปยึดถือสิ่งต่างๆพผ่ า, านทางวิญญาณที่เราฟังท่านนี้ถามเจาะจงลงมาในเรื่องของวิญญาณนั้นที่พระเจ้าได้อธิบายถึงความที่วิญญาณนั้นเป็นตัวเชื่อมนามและรูปถูกม ถ้าวิญญาณเป็นตัวอยู่ระหว่างกลางนามรูปกายใจเนี่ยไอ้วิญญาณที่มันอยู่ระหว่างกลางนามรูปกายใจที่มันไปทำหน้าที่ในการรับรู้สิ่งที่เป็นรูปกระดาษนามก็ได้เป็นภาษากันมาเนี่ยอะไรมันมาเป็นตัวรับรู้คําตอบในที่นี้ก็คือจิตนั่นเองก่อนที่จะไปอธิบายออเรื่องจิตมาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่า แล้ววิญญาณที่อยู่ในบริบทของขันห้าหมายถึงกองทุกข์กับวิญญาณที่อยู่ในบริบทของความเชื่อมโยงกันไปสังขารด้วยไปนามรูปด้วยนี้นั้นน่นแหะในปฏิจจสมุปาทเนี่ยอะไรที่มันเหมือนกันอะไรที่มันต่างกันสิ่งที่เหมือนกันก่อนดูฟังคือคําศัพท์นี่เหมือนกันแป่เลยแล้วความหมายข้างในก็เหมือนกันด้วยท่านอธิบายขันหให้ความหมายของวิญญาณไว คือการรู้แจ้งรู้แจ้งรู้อะไรรู้เค็มรู้หวานรู้เปรี้ยวรู้เผ็ดนี่คือลักษณะคำอธิบายแต่พอมาวิญญาณในปฏิจจส ม, มุปบาทเพื่อให้มันต่อเนื่องกันไปจนถึงสลายัตนะนามรูปช่องทางนั้นก็อธิบายตามอาัตนะว่าอายตนะคือวิญญาณคือก็ตามช่องทางเลย วิญญาณทางตาวิญญาณทางหูจมูกลิ้นกายใจตรงนี้ก็เลยอาจจะเป็นที่ตั้งของความสงสยัยความงงขึ้นมาได้ว่าเอาแล้วทาไมมันอธิบายไม่เหมือนกันเลยชื่อเดียวกันไส้ในไม่เหมือนกันหรือเอาก็คนร บ, บริบดง่ายอย่างดีว่านี่ถ้าจะเอาแบบว่าง่ายๆไม่ต้องแบบเยอะมากก็เอาบริบทกองกันหาคุณเข้าใจวิญญาณในความเป็นกองทุกไปเลยอันนี้จะเก็ตง่าย ควเข้าใจในระดับของคนที่ลึกซึ้งแล้วก็ฟังดูธรรมจักกมบวัตนะสูตรนั่นดิธรรมจักกรบรวรตนะสูตรเนี่ยอธิบายเรื่องขันห้าเลยกันเทศกันแรกของพระพุทธเจ้าว่าในทุกขะเรียศาสเนี่ยมีขนันหะ้านะทัานไหลมาแต่ความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกขกล่าวโดยย่อขันทั้งห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเป็นตัวทุกข แค่พูดแค่เนี้ยทูฟังนทั้งห้านี่มันอะไรนะอ๋อรูปใบธนาสัญญาสังหารวิญญาณคนที่ก็มีปัญญาเยอะเนี่นะกรณีของท่านัญญาโกนัญญ า, ญญาและเหล่าปัญจวัคคีย์ที่เหลืออีกสี่รูปฟังหัวข้อนี่มันแจ้งวะเลยมันจำแจ้งเลยว่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้ววิญญาณนี่มันคือการรับรู้นี่มันเป็นตัวทุก์พูดสั้นๆต้องใช้ปัญญามาก ในการทำความเข้าใจให้หลึกซึ้งหรือถ้าปัญญาไม่มากพูดสั้นๆมันก็พอเข้าใจได้ในความสั้นๆตรงนั้นในที่นี้ท่านพูดยาวๆมันจะต้องอธิบายปฏิยาสมุบาณีโดยบทเนะรียนชนะก็อธิบายมาเลยตั้งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้คือปฏิยาสมุบาท น, นะเพราะนี้มีสิ่งนี้มีเพราะนี้เกิดสิ่งนี้เกิ ด, เ, กดเพราะนี้ดับสิ่งนี้ดับไปมันอะไรบ้างนะ เพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารลายใบายลายใบยเนี่ยเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปนี่คือแบบเฉพาะคู่ที่มันเกิดขึ้นแต่อธิบายคู่ที่มันดับไปมาพูดต่อต่อกันเป็นสายก็โดยอีกพูดนีพารากราฟเรียมไม่จบะนะก็ต้องเป็น2หน้าขึ้นมาละแล้วถ้าจะอธิบายลงไปในแต่ละอาการอีกก็ต้อง10หน้าขึ้นมาละคราวนี้อันนี้คืออธิบายละเอียดไง อธิบายละเอียดการแจกแจงก็ยืดยาวมากขึ้นตรงว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเห็นลีลาของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าเป็นลีลาในการแสดงธรรมพุทธลีลาลีลาในการแสดงธรรมแบบสั้นๆย่อๆง่ายๆแค่บรรทัดเดียวได้ก็มีเข้าใจเลยอ๋อวิญญาณในที่นี้กันรู้รสอาหารโอเค ถ้าแค่เห็นเนี่ยมันไม่รู้ได้หรอกมันต้องลิ้มเข้าไปในที่ลิ้นซึ่งทำไมท่านถึงเอาอันนี้เพราะว่าถ้าให้ข้าพเจ้าสังเกตดูนะตั้งเป็นข้อสนิษฐานขึ้นมานี่คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นลิ้นเป็นกายเนี่ยมันหยาบที่สุดไงส่วนที่เป็นใจเนี่ยละเอียดที่สุดเลย แต่ไม่แยกไว้เพราะมันเป็นส่วนของใจเป็นส่วนของน้ำแต่อีส่วนที่มันละเอียดที่สุดในความเป็นกายเป็นรูปเนี่ยมันคือแสงคือมันมองได้สองมุมแสงเนี่ยคุณไม่ต้องโดนคือคุณอยู่ไกลๆคุณก็เห็นได้แต่มันต้องเป็นทิศเป็นทางหันหลังให้แสงคุณก็ไม่เห็นอะไรใช่ไหมละ่ะแต่ว่ามันได้ไกลถึงเป็นล้านล้านปีแสงได้ ส่นเขาสร้างโทรเลสโคปขึ้นไปอยู่ในอวกาศมองเห็นพวกแสงรังสีอะไรต่างๆไกลเป็นล้านๆปีแสงกระดูได้ในขณะที่เสียงบางทีเห็นแสงแต่ไม่ได้ยินเสียงคือเสียงเนี่ยมันต้องใกล้กันเข้าไปอีแต่ว่ามันมาได้จากถูกติดทางกลิ่นนี่ยังต้องใกล้กข้าไปอีนะสําหรับความเป็นมนุษย์คนนี้ไม่นับรวมพวกสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านนี่จมูกหูมันดีเอาเฉพาะมนุษย์เราเนี่ย กลิ่นนี้ต้องใกล้กันเข้ามากว่าเสียงอีกจึงจะได้กลิ่นได้รถนี่โอ้ต้องแตะเลยอ่ะแต่ไม่เหมือนกายตรงที่ว่ากายนี่แตะได้ทั่วกายใช่ไหมละ่ะแต่รถนี่ต้องแตะได้เฉพาะลิ้นเพราะฉะนั้นอาการที่จใจเกิดการรับรู้ได้เรื่องของรถเรื่องของกายมันจึงหยาบที่สุดละเอาไว้ตรงที่หยาบที่สุดหยิบขึ้นมาเพื่อให้คนที่เข้าใจอะไรยากๆห ย, ยบยาบ เข้าใจได้ง่ายๆหน่อยท่านจึงอธิบายเรื่องของวิญญาณโดยใช้การรับรู้รสว่าต้องรสอาหารนะมาโดนลิ้นเท่านั้นถึงจะมารับรู้ได้ถ้าเห็นเฉยๆอาหารเนี่ยคุณจะไม่เรียกการรับรู้ทางรสได้มันยังไม่เรียกการรับรู้นะมันยังเป็นประสบการณ์ปัญญาของคนอื่นภายนอกอยู่ การอธิบายแบบนี้ก็เข้าใจได้จากบริบทนั้นส่วนการอธิบายวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทอาการนั้นๆไม่ได้จ่อโจงเอาเฉพาะเรื่องรสอาหารลแยกออกมาเลยคราวนี้ตาด้วยหู ด, ด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยหายด้วยใจด้วยช่องทางมาตรงของมันเนี่ยแยกออกแทนที่จะพูดอันเดียวเรื่องรสอาหารออกเป็น6กอย่างเลยคราวนี้ ะเอียดลงไปอีกเพราะฉะนั้นบรบทการอธิบายถ้าใช้หัวข้อเดียวกันนะของพระพุทธเจ้านี่ให้เราแบบว่ากํากหนดบทพปลียนชนะนั้นนะ่ะกำหนดคำนั้นนั้นนะ่ะให้ดีเลยเพราะว่าท่านเป็นพรขวานะคือเป็นผู้จำแนกแจกตำ ม, มีความรัด ก, กุมรอบครอบละเอีเยดไม่ลาล้วมในเรื่องบทพปลีชนะแล้วเราไปเทียบเคียงดูอย่างท่านบฟังท่านนี้ก็นําไปเทียบเคียง ว่าเอาวิญญาณในขันห้าเอ๊มันก็มีนะวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทก็มีนะเออแล้วมันเหมือนหรือต่างกันยังไงเราก็ตามที่ชี้แจงให้อย่างนี้ว่าเหมือนกันละในเรื่องตัวของมันเองในความหมายในนิยามในการทำงานอะไรต่างเลยเหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันนั้นคือบริบทของการอธิบายให้ละเอียดหรือหยาบหรือกว้างๆอย่างไรอย่างไร ขันห้านั่นก็กว้างจากเรื่องของอริยสัจสคือของทุกข์พอมาปฏิจาสมุปบาทนั้นมันเกิดว่าเป็นเหตุเกิดคือทุกข์กับสมุทยัยมันดาบว่าเป็นนิโรธกับมรรคอยู่ในตัวนี้บทที่เราจะเห็นได้ ก, กันหนึ่งต้หงระวังเพอธิบายเรื่องของวิญญาณที่อยู่ในขันห้าตามนิยะของอริยสัจสหรือวิญญาณที่อยู่ใน การเกิดและการดับของปฏิจจสมุปบาทคำถามที่จะเกิดขึ้นต่อไปของคนที่สงสัยก็คือว่าอ้าวแล้วถ้ามันดับอยู่ในอริยศัจสี่ดับก็มีนะคือนิโรธกับมรรคนี่ท่านบอกไว้คู่นี้ในขณะที่เกิดคือทุกขะสมุทยัยท่านก็บอกไว้เหมือนกันแต่มันคือตัณหาแล้วก็ขันห้าเอตัณหาขันห้า อริยสัสีใช่ไหมความเกิดแห่งกองทุกเราก็ตัวทุกนิโรธและมรรคมันคือความดับแต่มันคือมันมันไม่ใช่อันเดียวกันนะต่ในขณะที่ปฏิจจสมุปบาทเฮ้มันอันเดียวกันหมดเลย12อันเนี้ยสิอันนี้อธิบายในความเกิดบอกว่าเป็นผู้เกิดสมุทัย12อันเดียวกันเนี้ยอธิบายในความดับบอกว่าเป็นนิโรธและมรรค คนที่สงสัยก็จะสงสัยว่าเอา้าแล้วทำไมพอพูดถึงอริยสัจสองอย่างที่ต่างกันใช้คาคนละเรื่องเลยแต่พอพูดถึงปฏิเสสมุมบาทสองอย่างที่ต่างกันเอา้าดันอธิบายด้วย12อย่างอันเดียวกันคือแต่คนที่สงสัยนะทานฝั ง, งมันสงสัยไปหมดนะ่ะโอเคนะแต่ถ้าคนที่เขาไม่สงสัยเขาเข้าใจเนี่ยเขาเข้าใจหรือว่าการเกิดขึ้น ติว่าทั้งแต่ละคู่สิเอดคู่สิองอาการเนี่ยมันต้องใช้ตันหาการเกิดขึ้นของมันเนี่ยมันต้องมีตันหาเป็นตัวเกิดเอาแต่ว่าตันหามันเป็นคู่หนึ่งไม่ใช่หรอพบอย่างงี้มันก็ไม่ได้มีตันหาเป็นตัวเกิดะแต่มันมีอุปทานเป็นเป็นตัวเกิดทั้งหากหรือในความดับของมันก็อะไรมันเกิดมันก็ต้องนั้นแหะมันหายไปมันก็คือดับอ่ะก็นี่ไงระวัง เวลาที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่เรื่องอริยสัจสีเนี่ย น, นะคือท่านเอาที่เข้าใจง่ายๆหยิบมาละเอียดลงไปคือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจสีอริยสัจสีคือปฏิจจสมุปบาทจะดับแต่ละคู่แต่ละอาการได้ต้องคือองค์แปอย่างอันประเสริฐคือมรรคแปดจะเกิดขึ้นของแต่ละคู่ก็เอาเหตุเกิดเข้ามานั่นแหละมา ท่านเลือกหยิบเอาเจ้าตัวตัานามาแล้วก็หยิบเอาเจ้าตัวทุกมา่าเป็นคู่กันไวในอริยสัจย์่อธิบายแค่นี้เวลา ก, การเดียวเดิมเรามาแยกออกเป็นคู่เป็น ค, นคู่เรียงต่อกันจึงดูเหมือนเป็นสายอธิบายในบทหัวข้อว่าปฏิจจสมุปบาทไม่งงนะทุฟัง่งไม่งงคือนี่พุทธลีลา จะละเอียดจะกว้างๆท่านจะเลือกหยิบมาที่จะอธิบายเพราะฉะนั้นที่เราสงสัยเนี่ยมันดีแล้วหมายถึงเป็นตัวที่จะพาจิตของเราให้มันลึกซึ้งลงไปในหัวข้อธรรมะนั้นๆนั้นๆพอเราก็ใจแล้วว่าโอ้ที่ละเอียดแบบนี้เนะี่ยรายละเอียดเยอะแยะนี่นะมันเกิดขึ้นแต่ละกู้ละกู้ก็มันได้ลักษณะเดียวกันเลยในอริยสัจี ของทุกขสมุทัยลักษณะเดียวกันเลยในอริยสัสีคู่ของนิโรธและเหตุของความดับเนี่ยมันก็มาอยู่ในแต่ละอาการอาการของมันได้ไงนี่คือพุทธลีลาในการอธิบายเราจะอธิบายให้กว้กวางๆก็จะง่ายๆหรือจะอธิบายให้ละเอียดลึกซึ้งแยกแยะแจกแจงมากมายเราก็จะดูตามปัญญาของผู้ฟัง ในบริบทที่จะให้เกิดความเข้าใจได้นะคือไม่ใช่ว่าบางทีอธิบายละเอียดแล้วทุกคนมันจะเข้าใจได้ยิ่งถ้าไม่เข้าใจยิ่งต้องอธิบายละเอียดมันไม่เสมอไปต้องฝังไม่เสมอไปเราท่านเปรียบไว้เหมือนกับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เขาชอบอาหารแบบไหนแม่หรือภรรยาก็จัดให้กินแบบนั้นเด็กบางทีก็ต้องกินข้าวกคำเล็กๆชอบ หวานบ้างชอบผักบ้างชอบเค็มบ้างชอบเปรี้ยวบ้างก็จัดให้ผู้ใหญ่กินคำใหญ่ได้แต่ว่าบางทีก็ต้องเลือกดูประเภทอาหารก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบกินเผ็ดเหมือนกันหมดก็ต้องจัดให้ตามที่ชอบที่ชอบชอบเอาเลยคำสอนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายท่านสอนไว้เยอะเราจะเข้าใจตรงไหนได้เราหยิบยกตรงนั้นขึ้นมาทาความเข้าใจ ในที่นี้เป็นหน้าที่ของขา้าพเจ้าทุฟังสาวกในคําสอนของธรรมวินัยนี้ก็ยิบยกเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาทําเป็นซีรีส์ซับให้ละเอียดท่ผู้ฟังเลือกกินเอาละกันตรงไหนเข้าใจได้เอาหรือตรงไหนยังไม่เข้าใจได้ถามยินดีจะตอบให้ประเด็นตัดมาจิตมันอยู่ตรงไหนจิตมันเกี่ยวข้องกันอย่างไร ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี้พราะดูแล้วนะตั้งแต่ขัน้ามาเลยเฮแต่ hey, ก็ไม่ได้อธิบายเรื่องของจิตเลยนะก็มีคําว่าวิญญาณนั่นนั้นเองก็เลยทําให้บางคนจะเข้าใจไปด้วยซ้าว่าวิญญาณคือจิตจิตนี่คือวิญญาณมโนนี่คือจิตจิตนี่คือมโนจิตมโนวิญญาณคืออันเดียวกันเดียวก่อนเอากระดาอันเดียวกันแล้วทําไม ถึงจะมีมโนวิญญาณนะมะโนวิญญาณกายวิญญาณจักูุวิญญาณเอากถ้ามโนมันเหมือนวิญญาณแล้วทำไมต้องมาใช้ด้วยกันด้วยใช่ไหมงั้นก็จะต้องไปเหมือนกับโสตวิญญาณคานวิญญาณด้วยเหรอคือมันคนละอย่างกันไงที่เหมือนกันลักษณะเดียวกันมันก็มีก็เลยอาจจะไปสับสนกับว่า ท, ที่มันต่างกันที่มันใช้คนละเรื่องกันมันก็เป็นเพราะฉะนั้นที่เหมือนกันก่อน น้ำเป็นสิ่งที่ไม่ได้จับต้องได้อ้างอิงถึงได้ด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือคำพูดหรือการกระทำทางกายแต่ว่าต้องเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของนามเรื่องของนามก็แยกแยะหลายอย่างถ้าเอาเป็นช่องทางคือใจเอาเป็นการรับรู้อวิญญาณเอาในความที่มันเป็นอะไรอะไรในความเป็นน้ว เ, เนี่ยก็เป็นธรรมารม ธรรมารมก็มีนะธรรมารมก็คนละาย่าง ก, กันกับช่องทางคือใจธรรมารมทั้งหมดจะเกิดขึ้นในช่องทางใจใจนี่คือมโนนะแล้วก็มีวิญญาณทาหน้าที่ในการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นวิญญาณในช่องทางใจนั้นก็เรียกว่ามโนวิญญาณใจเรือเป็นอเยตนะอเยตนาทางใจก็เหมือนกันกันกบอเยตนาทางต่างอุหมุกลินและกาย ที่เวลาจะอ้างอิงถึงถหูต้องอ้างอิงถึงเสียงใด้เท่านั้นอิจตนาภายในคือหูจะอ้างอิงถึงเสียงรับรู้กันและกันในช่องทางนั้นอิยตนาภายในคือใจสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดก็จะอ้างอิงถึงอะไรที่มันจะรับรู้ได้ในทางช่องใจนั้นก็คือธรมรมารมเรื่องนี้ครับท่านเจ้าก็ได้พูดไปแล้วอีกทุกผู้ฟังในเอพิโซดตอนก่อน อธิบายเรื่องของฐานะที่จะทําให้พระพุทธศาสนาตั้งอยู่ได้นานหนึในนั้นคือการฉลาดในเรื่องอายตนะหนึ่งใน2 อ, อย่างนั้นคือความฉลาดในเรื่องอายตนะและอีกอย่างหนึ่งที่กําลังอธิบายนี้คือความฉลาดในเรื่องของปฏิจจส ม, มุปบาทจึงได้นําหัวข้อเหล่านั้นเนี่ยมาอธิบายในตอนนี้ไงซึ่งปุ่ยมานี้ก็ยังไม่ได้อธิบายนะว่าจิตมันอยู่ตรงไหนใช่ไหม พูดถึงเรื่องของวิญญาณอยู่พอพูดถึงเรื่องวิญญาณเรื่องอตนะแล้วจิตอยู่ตรงไหนจิตนี่ทุ่มฟังเหมือนอยู่ตรงกลางเลยทุมฟังจำเอพิส od ท, ที่กบประชาได้อธิบายถึงหน้าปัดนาฬิกาเอาไว้คือเวลาที่เราจะทำความเข้าใจจำไอ้เจ้าปฏิจจส ม, มุปบาทได้ใช้หน้าปัดนาฬิกาเราจะจำได้สะดวกดีหน้าปัดนาฬิกาก็คือ ตรง12นาฬิกากับ6นาฬิกา9นาฬิกากับ3นาฬิกานะจำตรงแนวแกนตั้งกับแกนนอนให้ดีแกนตั้งตรง12นาฬิกาคือวิชาตรง6นาฬิกาคือเวทนาแกนนอนตรง9นาฬิกาคือพบตรง3นาฬิกาคือหนามรูที่เอาตรงนี้เป็นหลักเป็นสําคัญ เราก็ไม่ใช่ว่าจะจําให้มัน ไ, ไล่ไปไล่ไปอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดเพราะเห็นภาพรวมทั้งหมดเราจะเข้าใจจิตทันทีว่าตัวจิตนั้นคืออยู่ตรงที่จุดศูนย์กลางของเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกาก็จะหมุนไปใช่ไหมตรงจุดศูนย์กลางที่เข็มวินาทีเข็มนาทีมันหมุนหมุนไปเนี่ยตรงกลางนั่นแหะคือจิตไงจิตมันเป็นตรงกลาง ย, ยังไง เพราะจิตมีอวิชชาไงจิตนั้นแนหะจึงไปทําการปรุงแต่งจิตที่ไปทําการปรุงแต่งนี่มันก็ไปทําการปรุงแต่งในลักษณะที่เกิดการรับรู้คือวิญญาณไงนี่เริมหมุนไปแล้วนะจาก12บสนาฬิกาคืออวิชชาใช่ไหมมาที่ตัวเข็มนาฬิกาตรงกลางคือจิตไปที่1นาฬิกาคือสังขารการปรุงแต่งกลับมาที่จิตคือตรงเข็มนาฬิกาแล้วก็ไปที่วิญญาณการรับรู้คือ2นาฬิกา กลับมาที่จิตอีกว่าไอ้ที่จิตจะไปปรุงแต่งทําหน้าที่เป็นการรับรู้คือวิญญาณได้เนี่ยสิ่งที่มันจะไปรับรู้มันคือตรงสามนาฬิกาไงสามนาฬิกาก็ไ ร, ไรเป็นผู้ไรนี่ยสานาฬิกาคือนำรูปให้ดมฟังนึกภาพไปตามนึกภาพไปตามนี่แหละเป็นข้อจํากัดของการสื่อสารทางเสียงแต่ให้นึกภาพไปตามดมฟัง น, น, น, นึกถึงหน้าปัดนาฬิกาไม่ใช่แบบดิจิตอลนะ เอาเป็นอนล็อกอย่าไปครั้งนึงเพราะมันมีลักษณะที่การเขียนปฏิจจสมุปบาทเป็นวงๆอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้ตามเขียนนาฬิกาไงทุกฟังเริ่มจากหนึ่งคือถ้ารู้เริ่มจากสอมาเป็นวิชาเริ่มจากสามไปเป็นสังขารคือทีนี้พอมไม่ตรงกับเข็ยนนาฬิกาแล้วมันก็จะไปจบที่1 4บ5หนูน่น12คือการเกิด13คือชารา14คือบรณะ จริงชะรามรณะเหมือนด้วมกันเป็นกองทุกข์เหมือนกันทีนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องของจิตได้ง่ายกบฏเจ้าจึงอธิบายตามเข็มนาฬิกาที่เรามาฟังคุ้นเคยกันอยู่แล้วจิตนะจิตมีคนถามว่าจิตมันอยู่ตรงไหนจิตมันอยู่ตรงกลางตรงกลางยังไงก็ตรงเข็มนาฬิกาตรงที่มันหมุนน่ะจุดศูนย์กลางของมันจิตที่มีวิชา วิชาคือ12นาฬิกานะมันก็ไปหนึ่งนาฬิกาว่าจิตนั้นก็จึงมีการปรุงแต่งเพราะมันไม่รู้คือวิชาไงมันไม่รู้ว่ามันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้มันก็จึงเริ่มเดินละไปที่หนึ่งนาฬิกาปรุงแต่งเลยสังขารจิตที่มันปรุงแต่งมันปรุงแต่งมันก็ไปปรุงแต่งในทําหน้าที่วิญญาณไงคือมาสอนนาฬิกาละไอ้จิตเกิดมาตรงกลางนะทิมไปทําหน้าที่กันปรุงแต่งคือหนึ่งนะ แล้วไม่ปรุงแต่งแล้วสถานที่เกิดการรับรู้ืวิญญาณคือ2ใ right? ช่ไหมช่องทางที่มันจะไปรับรู้มันก็คือ3าไง3ามนาฬิกาคือนามรูปไงมันจะไปรับรู้จิตเนี่ยหน้าที่รับรู้คือวิญญาณเนี่ยในสิ่งที่เป็นนามแล้วรูปได้เท่านั้นแหละการรับรู้คือวิญญาณมันจะไม่มปที่อื่นนอกจากนามและรูปเท่านั้นวิญญาณเนี่ยจะไม่ก้าวลงไปในที่อื่นนอกจากรูปและนามเท่านั้นวิญญาณเนี่ยมันจึงเป็นตัวเชื่อมของนามรูปไง วิญญาณจึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายใจไงเรือโบราณไปรับรู้หนึ่งสิ่งที่เป็นนามรูปใช่ปะ่ะนั่คือสามนาฬิกานะจิตนี้ตรงกลาง น, นะมันก็ต้องออกตามช่องทางก็เรียกว่าสัญญาณเสียงก็ต้องทางหูภาพแสงก็ต้องทางตานี่จึงเรียกเป็นสัญญาณคืออเยตนะภายในและผายนองเขานั่คือสี น, สนาฬนะิกาไง แล้วเวลาที่ถ้ามันไม่ตรงผัสสะกันนี่มันไม่เกิดการรับรู้ขนะึ้นนะจิตที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ทางช่องทางอิยตนะคือตอน4นาฬิกาแล้วมันต้องเป็นผัสสะตรงช่องทางเข้ปมาตื่หานาฬิกาเพราะมีการกระทบมาตรงช่องทางที่ถูกต้องช่องทางก็้มานะเช่นถ้าเสียงมากระทบลิ้นไม่คุณไม่ได้ยินหรอกหรืออาหารมาเข้าตาเนี่ คุณจะไปรู้เค็มเปรี้ยวได้ไงมีแต่แสบมันไม่ได้มาตามช่องทางหรอกมันต้องมาตามช่องทางจึงเกิดเรียกว่าเป็นภาษาหนึ่งคือหนาฬิกาละจิตก็มีภาษาขึ้นมีภาษามากระทบจิตแล้วจิตก็จะมีความรู้สึกอะไรน่นคือหกนาฬิกาละหกนาฬิกาตรงข้างล่างสุดมีเวทนาไงความรู้สึกนี้คือเวทนาสูงบ้างทุกบ้างจิตที่อยู่ตรงกลางเนี่ยพอมีความรู้สึกเป็นเวทนาแล้ว มันก็พอใจอยากได้สิ่งที่เป็นสุขเวทนานี่มาเจ็นาฬกานะนั่นคือตัณหาไงไม่พอใจไม่อยากได้ในทุกเวทนาคือเป็นวิภาวะตัณหาไงเจ็นากานะจิตที่มีภาวะตัณหาวิวัาวาตนามันจึงมีการก้าวลงก้าวลงนี่คืออะไรอุปทานไงมีความยึดถืออย่าเพิ่งก้าวลงมีความยึดถือก่อนอุปทานการก้าวลงนี่คือการเกิดตัางา อุปท า, านคือความยึดถือเกิดขึ้นที่จิต Thursday, ที่มีความอยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์จึงยึดถือแล้วอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้เป็นลักษณะนั้นอันนี้มีในชั้นอันนี้เป็นชั้นอันนี้ไม่ใช่ชั้นฉั้นเป็นสิ่งนี้ ส, นสิ่งนี้มีในชั้นชั้นมีในสิ่งนี้ไอความลักษณะที่ว่าเป็นนี่เป็นนั่นเป็นโน้ น, น, น, น, นที่อาศัยจากอุปท า, านเกิดเนี่ยมันคือลักษณะความเป็นตัวตนที่มาเป็นพบแล้ว เป็นความเป็นก้อนเป็นความเป็นกลุ่มเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมานี่คือความเป็นสภาวะขึ้นมาเหมือนปั้นาเป็นตัวอ่านี่คือการนาฬิกาไงการนาฬิกาจิตที่มันมีพบเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยคือความเป็นสภาวะเนี่ยคนนี้เป็นนั่นคนนั้นเป็นนี่จิตนั้นแล้ไปก้าวลงในสิ่งนั้นตันทีการก้าวลงเนี่คือการเกิดเป็นสิ่งนาฬิกาละพะมีการเกิดแล้วจิตนั้นอ่ะก็จึงมีทุกไง คือสิบเอ็นาฬิกาความทุกข์มันจึงมาอยู่ที่จิตอย่างนี้นี่คือ12อากานะ11บกู้ที่ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จิตของเราไงทุกวัาางเกิดขึ้นที่จิตของเราจิตเรามันอยู่ตรงกลางเลยตรงเกมนาฬิกาทีนี้พอคนมีกองทุกข์แล้วไงคุณก็มีทางเลือกสองทางทางหนึ่งก็จมอยู่ในกองทุกข์ เราไมก็ดำกรุ่นทุบอกโชกตัววนไปอีกอทำไมคุณวนไปเพราะคุณไม่รู้ไงไม่รู้ว่าจริงๆมันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ทุกมันเป็นของมันอยู่แล้วมันไม่ไดีว่าจะไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้อ่เราก็รับไปจิตก็รับไปไอ้จิตที่รับไปนั่นคือจิตที่ไปไะมีอวิชชาก็กลับมาที่12บสนาฬิกาอีกจิตที่มีอวิชชาเป็นไงมันก็ไปปรุงแต่งกลับมาที่หนึ่งนกาละปรุงแต่งเป็นสังขารแล้วเนี่ยเอาสังขารมันปรุงแต่งไปไงจิตนี่มมันก็ไปทําหน้าที่ในการรับรู้ไง ออมาสอนาฬิกาและวิญญาณละจิตที่มีการปรุงแต่งคือ1นาฬิกาประจำหน้าท well. like voilà. like ี่ในการรับรู้คือ2อนนาฬิกามันจะไปรับรู้ในเรื่องอะไรได้ทำไมไม่ใช่รับรู้เนื้อหนึ่งของนามรูปก็เป็น3นาฬิกาละไงอะไรไปรับรู้อะไรเป็นวิญญาณจิตไงไปทําหน้าที่รับรู้คือวิญญาณในนามรูปจิตที่จะไปหน้าที่รับรู้คือวิญญาณในสิ่งที่เป็นนามรูปได้มันก็ต้องผ่านทั้งช่องทางนั่นก็มา4นาฬิกาละไงเป็นสระยตนะ สีนาฏกาเป็นสารยตนาแล้วก็เป็นผัสสะเกิดขึ้นวนต่อไปวนต่อไปแต่ไม่งั้นมันไม่ตรงช่องทางนะจิตมันก็ต้องรับรู้ให้มันตรงช่องทางมันจึงมีเวทนาคือความรู้สึกเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นในจิตเวทนานี่เบอร์อะไรนะเนี่ยเบอร์หกนาฏกาแล้วจิตนั้นก็จึงจะมีความอยากและไม่อยากอยากได้สิ่งที่ชอบไม่อยากได้สิ่งที่ไม่ชอบนั่นคือตานาจนัดนาฏกาละเป็นความยึดถือ เป็นการก้าวลงเป็นกองทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนจิตนั่นแล้วเกิดขึ้นที่จิตและจิตไม่รู้ว่าจะต้องออกไปทางไหนมันจะไปไงมันก็จมอยู่ในกองทุกข์อีกอะจิตที่ไม่รู้นั่นคืออะไรมีอวิชชาจิตที่ถ้งมีอวิชชาอีกก็วนไปอีกอวิชชาในี่สิองนาฬิกาก็พยายานั่ที่การปรุงแต่งขึ้นหนนาฬิกาวนไปเรื่อยถ้าเราใส่ฐานนี้มันนะมันหมุนไม่หยุดอะท่าฟังนาฬิกานี้ ใส่ทานให้ตลอดมันก็หมุนตลอดมันยังข้านั่นแหละเวลาดูมันหน้าบาัดนาฬิกาทีไรมันก็เดินไม่วนไปก็วนหนึ่งอ่ะตามเข็มนาฬิกาอย่างเดียวเลยนาฬิกาที่เดินทวนเข็มไม่มีพอเขาดีไซน์มางี้จิตมันก็จึงวนไปไงท่านฟังวนไปวนไปทุกไปทุกไปมันจึงหมุนวนตี้วอยู่เนี่ย พันกันแล้วก็พันกันยิ่งขึ้นพันกันแล้วก็พันกันยิ่งขึ้นอีลุงตุงนังยิ่งกว่ากลุ่มได้ปปชะกลุ่มได้อะไรที่มันจะยุ่งเหยิงพันกันอีลุงตุงนังอย่างมากเรื่องของรากภัยเรื่องของรังนกนี่เป็นอุปมาที่ท่านยกขึ้นว่ามันวนกันมึนกันยุ่งกันมากเลยท่านคลี่คลายออกให้แล้วท่านังพระพุทธเจ้า คลี่คายออกให้แล้วว่ะทุกอย่างมันอยู่ที่จิตนะอา้าวทีนี้ทํายังไงนี่จะเป็นคําตามที่สามกระดุมฟังที่ส่งมาแล้วว่าเอ๊จริงฟังเนี่ยก็เข้าใจอยู่นะฟังเข้าใจอยู่แต่ว่าไอ้ความเข้าใจกับเข้าถึงมันยังไม่เหมือนกันนะถูกไหมเราฟังเข้าใจนี่คือคิดตรึตรึกได้อยู่คือฟังมันก็เป็นสุตตามิยปัญญานะี่ยใช่เป็นปัญญาใช่ไหม แต่ปัญญามีสามระดับไงท่านฟังสุดต่ำมายะปัญญาคิดใครครวนตามไปก็เป็นจินต์ต่ำมายะปัญญามาดีสงสัยก็ถามมายินดีตอบให้อ้าวแต่จะให้เกิดความเข้าถึงได้คือเข้าหูแล้วเนี่ยยังไม่จะเข้าสู่จิตได้ให้เกิดปัญญานะเกิดปัญญาอยู่แต่เป็นปัญญาทางหูปัญญาทางความคิดสุดต่ำมยะปัญญาจินต์ต่ำมายะปัญญาแต่จะให้เข้าใจเข้าถึงจริงๆเลยเนี่ยต้องเป็นภาวนามายะปัญญา เราจะทำงไงให้เกิดภาวนาเมยปัญญาในกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนี้ได้เพราะว่าเข้าใจแล้วมันก็วนไปวนมาไงจะให้เกิดภาวนามยปัญญาได้นะทุังเราจะต้องหลุดออกจากวงนี้ให้ได้ไงเอาอย่าเพิ่งไปภาวนามญปัญญาเอาแค่จินตาแมยปัญญาสุตรตมยปัญญาเนี่ยวนต่อไปอีกดูถ้าวนอย่างนี้แล้วมันก็วนไปมันก็ยังเข้าใจอยู่แต่ปัญหามันยังไม่แก้ปัญหาแก้ได้จะให้ จีตมันไม่วนไปวนไปอยู่ในเข็มนี้อยู่ในหน้าปัดนี้เนี่ยมันมีหน้าปัดหนึ่งจะให้อวิชชาดับได้ใช่ไหมคือถ้าเราพูดเป็นสายเป็นสายมานะจะให้อวิชาดับอ่ะวิชาต้องเกิดจะให้วิชาเกิดพ่อชงเจดต้องมาจะให้พ่อชงเจดมาตรงเจ ร, ริญสติปัฏฐานส ถ้าคุณเจริญสติปัฏฐานสี่อาศัยอนุสติ1ิอันใดอันหนึ่งโพชงเจตก็จะเกิดมีโพชฌงโพชงนี่คืออะไรนะโพชงคือองค์ธรรมการตรัสรู้ทรมไงมีอะไรบ้างไหลไปดูคิดไกรกรวนไตรตรองระลึกดูการระลึกถึงหมวดธรร ม, มนี่เป็นธรรมานุสตินะ้าเป็นหนึ่งในอนุสติสิบอย่างโพชงเจตมีอะไรบ้างว่าไปดูคิดตามไปด้วย สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยตสัมโพชฌงค์บิริยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์เจ็ดอย่างนี้ไล่ออเรียงกันมาให้เกิดวิชาและวิมุตได้พอมีวิชาและวิมุติแล้วเอาวิชามันจะอยู่ได้อย่างไรอาวิชามันก็ต้องดับไป เหมือนมีแสงสว่างที่ไหนต่อให้ทั้งห้องมืดหมดเลยไอ้ตรงจุดที่มันสว่างมันก็สว่างนะั่นแหละอาจจะตามมุมนั้นใต้หลืบมนี่มันมืดอยู่แต่ตรงจุดที่มันสว่างมันสว่างอยู่นะถ้าวิชาเกิดตรงไหนตรงนั้นอวิชชาต้องดับไปอยู่ไม่ได้จางคลายไปอ่ะความจางคลายดับไปของอวิชชาเพราะอาศัยวิชานั่นแหละจิตเนี่ยมันจึงไม่ปรุงแต่งไง มาเบอร์หนึ่ง น, นะเบอร์หนึ่งดับละจิตที่ไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่ไปทําหน้าที่วิญญาณไงวิญญาณดับแล้วเบอร์สองดับละ2นาฬิกาดับแล้วน ะ, ะ, ะ, ะ, นะจิต right. ที่ไม่ไปปรุงแต่งหนึ่งคือ1ใช่ไหมก็ไม่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้นึ่งคือ2องใช่ไหมพอมาถึงสนาฬิกามันก็ไม่ได้ไปรับรู้ในสิ่งที่เป็นนามและรูปไยจิตนี่นะจิตที่ไม่ไปรับรู้ในสิ่งที่เป็นนามและรูปคือสานาฬิกาดับแล้วนี่มันก็ไม่ได้ไปตามช่องทางแลอิจตนะไม่มีละ อนะายตนะสารายตนะทางต่างหูจมูกนิ่งกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปัตตธรรมรมดับแล้วสารยตนะนั้นก็ดับออกจากจิตพอไม่มีช่องทางอะไรที่มันจะมาโดนกันแล้วการโดนกันการกระทบกันมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงภาษาก็ต้องดับไปภาษาดับไปแล้วเหมือนไม้สีกันมันไม่สีแล้วความร้อนมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเหมือนคุณยกเตาออกจากหม้อแล้วที่มันเดือดปุดปุดอยู่มันก็ไม่เดือดแล้ว า菩萨ไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์มันจะเกิดขึ้นไหนก็ดับไปเหมือนกันจากไหนจากการรับรู้ของจิตจิตก็จะไม่ได้มารู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็ต้องมาอยากได้มันไม่อยากได้มันเป็นตนัณหาไม่มีตัณหาก็ดับตัณหาดับแล้วความยึดถือมันจะมีได้ไงมันเป็นเชื่อไฟกันมาอุปทานก็ไม่มีการที่จะให้สิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นสภาวะขึ้นเป็นพบขึ้นมาก็ดับไป พอพบดับไปแล้วการที่จิตจะไปก้าวลงในสิ่งนั้นให้เป็นกองทุกข์ขึ้นมาก็ไม่มีความทุกข์จึงดับไปจากจิตด้วยอาการอย่างนี้ก็ดับไปจากหน้าแปดสิกาเหมือนกันดับแล้วไม่โวนแล้วจิตเป็นงไงเนี่ยหลุดพ้นไงตงะบูฟังจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่จิตเมื่อดำรงอยู่แล้วมันจึงยินดีร่าเริงด้วยดี จิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีก็ไม่สะดุง้งจิตที่ไม่สะดุ้งก็เป็นยังไงปรินิพานจบต้นเลยความดับของแต่ละคู่มันก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่จิตนี่แหละตรงกลางนะเกิดได้ดับได้12นาฬิกาจเจ้าอวิชาให้ดับด้วยวิชาให้เกิดก็ได้หรือไอ้เจ้าตรงตัวทุกสิ1เ็นาฬิกาใช่ปะถ้วนไปก็คือไปอวิชาใช่ไหม แต่ถ้าเราทําสายใหม่ขึ้นมาทําสายใหม่ขึ้นมามันมีคู่อื่นด้วยเหรอมีดีในปีโสดก่อ น, นกูถึงไว้ทุกในมีทางออกมีผลอยู่สองอย่างคือจมอยู่ในกองทุกข์คุณก็ไปตามทางอาวิชาพราะคุณก็ไม่รู้ทางออกของความทุกข์เป็นยังไงแต่ถ้าทางออกอีกทางหนึ่งคือใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีโฮมเลยมันจะแยกออกไปอีกทางหนึ่งเราจะไปตามทางนี้ได้ต้องมีศรัทธา จึงเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธาศรัทธามีทุกเป็นที่ตั้งอาศัยคุณมีทุกแล้วคุณจะมีศรัทธาได้คุณต้องมีปัญญานี่ไงปัญญาไม่ใช่ปัญญาธรรมดาเป็นปัญญาเข้าถึงคือภาวนามยปัญญาทุกจะไปศรัทธาได้ต้องมีปัญญาคือเจาะจงลงไปเลยภาวนามยปัญญาทุกจะเป็นที่ตั้งอาศัยของศรัทธามีภาวนามยปัญญาจะเกิด ความยินดีปอใจคือปราโมทศรัทธาก็มีปราโมทเป็นที่ต่างสายต่อไปเลยปราโมทปีติปัตธิความสุขสมาธิการเห็นตามความเป็นจริงความหนายคือนิพิทาวิราคะตอบี ก, ก็เป็นความคลายกำหนัดมีความพ้นคือวิมุตติมีความดับแล้วก็นิพพานได้ก็เป็นอีกสายหนึ่งไปเป็นอีกหน้าป่า น, นาฬิกาหนึ่งไปที่เกิดขึ้นที่ไหน สิ่งองรนั่นแหละมันซ้อนกันอยู่ทางพ้นทุกก็ซ้อนอยู่ในความทุกเหตุเกิดทุกก็ซ้อนอยู่ในความทุกนี่แหละทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกก็ซ้อนอยู่ในเจ้าความทุกนี่แหละแล้วก็จุดที่จะพ้นทุกได้และนิพพานมันก็ซ้อนอยู่ในตรงที่มันยังไม่ดับนี่แหละมันจึงต้องบอกองี้ว่าจะแก้ปัญหาได้มันก็ต้องตรงปัญหาต่างหากท่านฟัง ทางออกของปัญหามันก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่าถ้าเราไม่เอาวิธีแก้ทางแก้โซลูชันใส่เข้าไปตรงปรบลิมคือปัญหามันก็แก้ไม่ได้ปะมันก็ต้องจับยัดใส่เข้าไปในนั้นเหมือนฟันเฟืองมันต้องซ้อนทับกันน่ะมันถึงจะหมุนกันไปได้ในเฟืองเกี่ยวเดียวกันนั้นเหมือนยาเนี่ยคุณต้องไปใส่ไปในเชื้อโรคนี่ะมันถึงจะแก้กันได้ในเชื้อโรคคุณก็ต้องเห็นยาด้วยมันก็อยู่ในตัวเราเนี่แหละ ร่างกายเรามีเชื้อโรคคุณก็ต้องใส่ยาก็ไปตรงร่างกายของเราร่างกายเราก็ส่วนหนึ่งนะเชื้อโรคก็ส่วนหนึ่งยาก็ส่วนหนึ่งคนละส่วนกันคนละหน้าที่กันแต่ต้องอยู่ด้วยกันมันซ้อนทับกันอยู่ถ้าเราแค่เพียงคิดเอานะดูฝังมันคือจะยังแยกแยกกันอยู่โซลูชนันก็อันหนึ่งทา้ถึงความดับไม่เหลือของทุกอะไรต่างก็อันหนึ่งความทุกขออ์นน ก, ก็อันหนึ่งเห้เกิดตัหาก็หนึ่งก็คิดไปวิเครกห์ไปแยกแยกไป แต่มันไม่ไดเอามาใส่กันรวมกันมันก็แก้ปัญหา ย, ยังไม่ได้ต้องเอามารวมกันดูฟังเราจึงต้องเจอความทุกข์เราเจอความทุกข์แล้วด้วยภาวนามยปัญญาจึงจะเกิดศรัทธาแยกออกไปได้ว่าอ๋อมันมีคนที่รู้ทางออกของความทุกข์นี้แล้วหนึ่งหรือสอวิธีนั่นคืออริยมรรคมีองค์แปดเอามาทำเลยนั่นเลยทางออกอยู่ตรงนี้เลยการจะเข้าถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทได้ อยู่ตรงที่เราทุกนี่แหละดูบังแล้วแต่ละคู่แต่ละคู่ของเขานะสามารถดับได้หมดดับได้หมดจะปลดล็อกตรงไหนก็ได้ในสัปดาห์หน้าดูบังพระเจ้าจะมาอธิบายต่อว่าแล้วตรงไหนมันจะดีกว่ากันในระหว่าง11คู่12บคู่เนี้ยคู่ไหนปลดล็อกตรงไหนเป็นมรรกวิธียังไงเราเหมือนล็อกเราสองทางเสมออย่ไมมกิเลนี เวลาเราออกเราต้องออกมาได้มี2เส้นโรงต่างสายกลางในสัปดาห์หน้ายังเป็นซีรี่์เรื่องของปฏิจาสมุบายู่ทุกฟังแต่เพลว่าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยในชุดใดเรื่องของสิ่งนี้ยินดีรับฟังยินดีตอบให้ส่งกั้มาได้ที่เว็บไซต์ของมูนิธิปัญญา .org ซึ่งท่นนั่นท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามฟังย้อนหลัง ติดต่อกับทางรายการช่งข้อความต่างๆหรือว่าทางช่องทางพอดแคสต์ก็ได้หรือทางช่องทางสื่อโซเชียลคือ YouTube, Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ก็สามารถติดต่อกับกาพเจ้าได้รายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาเปาณาซึ่งมีพระมหาไยบูญอาพี่ปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันหในหม่ในวันพรุ่งนี้จันทร์บอน